พุทธัสสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายงานตัวนะ ความเป็นจริงของเราแท้ๆอยู่กับตัวเราปรากฏกับเราทุกวันแต่เราก็ไม่สามารถที่ ดิฉันจําได้แล้วว่าถามท่านว่าทําไมพระพุทธองค์จึงให้ แล้วท่านพระบุญก็เลยพยายามอธิบายให้เห็นว่าถ้าในทางธรรมเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเป็นอย่างไรอ่าได้ย้อนอีกครั้งได้ 5 อย่างเนี่ยมีวิสัย นะพูดพูดถ้าพูดภาษาบาลีก็ว่าอย่างงี้เอตาหู เป็นที่แล่นไปสู่ของสตินะอุนามพระภาม ปรยามอ่ะแล่นเถลิดไปเลยซะแล้วไม่อาจถือเอาที่ๆที่ที่พระเจ้าตรัสกับอุณาปปรามนะค่ะเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของที่แล่นไปสู่เป็นที่ ซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็คืออินทรีย์ว่าภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นคายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปแล้วนะคะแล้วก็บอกตาหูจมูกลิ้นหรือ มันจะไม่ครบถ้วนจนทําให้เรารู้สึกในการสัมผัสได้ถ้าไม่มีใจไปรับรู้ดิฉันพูดอย่างนี้ถูกมั้ยคะถูกต้องถูกต้องอ่าทีนี้ถึงตอนต่อไปกันทั้งคะอืมทีนี้แล้วใจ แต่พุทธเจ้าจึงบอกว่าที่ที่ไปของใจที่ดีคือสติสติแปลว่า <selections. S 1> เป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงก็ได้นะทําไมถ้าสมุจใจชนิดอ่ะนะชนิดแล้วก็มาผูกเอาไว้เอาเอ่อจระเข้เอานกมาเอา 6 ตัว<ใช> นะมาผูกไว้แล้วถ้าผูกรวมกับไม้ตรงกลางนะคือผูกเป็นปมเอาปลายชี้อีกข้างนึงมาๆไปตามมัน นะสติสติคือความระลึกได้นะให้อยู่ในสติฐาน 4 นะตรง ค่ะสมมุติว่ากําลังนึกถึงคนที่รักได้ค่ะอ่ะคือไม่ใช่หมาย นะก็คือไม่ให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยใจเนี่ยควรจะมีที่แล่นไปสู่ของใจเนี่ยก็คือสตินั่นเองใช่มั้ยค่ะพอมี นะใจอย่างน้อยเราได้รับการรักษาไม่ถูกชักชูงไปตามอํานาจของมันแล้ว <Okay. S 1> นะ 5 อย่างนั้นได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือวิมุตติคือ อยู่ในแต่เรารู้สึกได้อยู่ของเราทั้งสิ้นเลยแต่มันอยู่ในขอบเขตที่เราจับๆอย่างงี้ใจเราไม่หวั่นไหวไป ใช่ว่าถ้าเราไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่มากระทบอืมแล้วนั่นแหละหลุดมีหลุดหลุดพ้นหลุดพ้นจากสิ่งหลุดพ้นก็ด้วยอันค่ะค่ะต้องต้อง มันครั้งมันยังมีมันยังอืมค่ะเอ่อก็ถึงว่าต้องมีค่ะอืมคือ จะเป็นทุกข์ตนทุกข์ก็ตาได้อย่างสักติอะไรอย่างต่างคนอื่นเค้าด่าคนที่เรารักเราอาจจะจี้ <c oughs> ยังไม่ดับสนิทไม่เย็นจริงน่ะตรัสหลุดพ้นจากสิ่งนั้นสิ่งแล้วอย่ามาถาม แต่อย่างที่ท่านภบูลยกตัวอย่างเนี่ยเป็นๆไปๆแล้วใช่ๆแต่ต้องทําความเข้า ชัดเจนมากกว่านะคะแต่ถ้าจะให้ไปถึงนิพพานอย่างที่พระพุทธองค์หรือพระอรหันต์รูปนิพพานนี่จะแตกต่างกันอย่างไรคะต่างกันที่ความละเอียดต่างกันความละเอียดเอ่อพระเจ้าเคย ล้างอย่างหยาบๆปุ๊บเอาพวกเศษหินเศษอะไรพวกนี้ออกเสร็จแล้วก็ต้องมาล้างอย่างละกลางๆเอาพวกก้อนโกรธก้อนทรายออกแล้วก็ต้องมาล้างอย่างละเอียด นะค่อยๆทําไปนั้นหลุดพ้นเป็นขั้นๆหลุดพ้นเป็นขั้นค่อยๆวางสิ่งนั้นวางๆนะเออใช่มันมีนุ่มแล้วก็เป็นสีได้นั่นก็ อ่าทุกวันทุกวันไม่มีโอกาสไปวัดนี่จะมีโอกาสที่จะ เรานี้ถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ย <คะ. S 1> นั่นก็ได้ต้องใช้เวลาลำไรก็ๆปรากฏชัดขึ้นจริงๆแล้วยังมีแง่มุมอ่าคน<ใช> แต่ก็ยังมีจะแก้ไขได้อย่างไรอย่างนี้ค่ะสึกว่าได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า มันเป็นโทษของสังสารวัฏหวังงั้นธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาเลยแม้เราอยู่บนหนทางอืมอั้นต้องมองไอ้เนี่ยให้ เป็นธรรมดาของสังสารวัฏถูกต้องค่ะบางทีนะคะเอ่อมีปรากฏการณ์ต่างๆมีเหตุการณ์ต่างๆที่บางทีมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เราเห็นแล้วเรารำคาญตารำคาญใจอ่าพวกเขาสารข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์กันจน อยู่ในสภาพแบบนี้ในสภาพแบบนี้อันนี้มันเป็นอยู่ใน 4 แล้วเลยนะคือเราต้องเข้าใจเรื่องความรู้ซึ่งเราคิดว่าจะมาอธิบายในตอนหน้าได้ค่ะและก่อนจะจบรายการอ่าในเมื่อเราขึ้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์ นะคะและที่ท่านภิบูรณ์ได้พูดให้ความรู้พวกเรามาทั้งหมดเนี่ยเรื่องของอินทรีย์แล้วก็อ่าอินทรีย์ เรียนท่านคณะมนตรีการขอบพระคุณท่านเทบูนๆกับท่านด้วยเหมือนกันนะ